สิวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันวงเล็บเปิด12พฤษภาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดเราเป็นค า, าวาสไม่มีเวลามากเราก็ต้องทำแบบที่ค า, าวาสทำได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มีหลากหลายมากเลยเราต้องเลือกกรรมฐานที่เราทำได้จริงคนยุคนี้ไม่มีเวลาทาสมถะแรมปีมันไม่ใช่รวมง่ายๆนะ ไอ้ที่นั่งภาวนาแล้วบอกจิตรวมนะรวมเข้ากับโมหะมันไม่ใช่จิตรวมจริงๆจิตรวมจริงๆมันมีสติตลอดสายเลยไม่ใช่ครอกแล้วบรรลุแล้วนะถ้าสองครอกสองครอกนี่สกิทาคาครอกเดียวโสดาอย่างนั้นเสียที่ไหนละ่ะมันต้องรู้เนื้อรู้ตัวตลอดรวมก็รวมไม่ใช่หล่นวูบเหมือนตกเหวฝึกไปจนชํานี้ชํานาญเวลารวมลงนิ่มๆเหมือนคนขับเรือบินเก่งๆนะแลนดิ้งในวงเล็บลงจอด ดีไม่กระเด้งแลนดิ่งไม่ดีนะลงไปปุ๊บกระเด้งขึ้นมาแล้วฉะนั้นเราจะไปเลือกกรรมาฐานที่เราไม่มีทางทานี่ทำยากเว้นแต่คนที่เขามีวาสนาบารมีเขาเคยสะสมธรรมชาญมานานข้ามภพข้ามชาติมาพวกนี้จิตเขาตั้งมั่นง่ายเขาหายใจสองสามทีจิตเขาก็สงบแล้วแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะมาค้นคว้ารู้อยู่ในกายในเวทนาอะไรอย่างนี้คนซึ่งไม่ได้มีของเก่ามาอย่างนี้ทายาก ดังนั้นเราก็ต้องทํากรรมาฐานที่เราทําได้ไม่ใช่รอไปทําตอนก่อนนอนไม่ใช่รอตื่นนอนแล้วจะแบ่งเวลามาทําถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานต้องทําทั้งวันกรรมาฐานที่ทําได้ทั้งวันก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้จิตใจของตัวเองไปตั้งแต่ตื่นนอนต้องรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆนี่เท่ากับเราปฏิบัติอยู่ทั้งวัน ในเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดก็คิดไปนะทํางานไปตั้งใจอยู่กับงานพอกิเลสมันแทรกเข้ามาเช่นมันขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาหรือทํางานแล้วมันหงดหนิดมันไม่ได้อย่างใจมันผิดหวังมันสมหวังมันดีใจมันเสียใจทั้งวันมันกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงให้คอยมีสติตามรู้ใจที่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเรื่อยๆก็เท่ากับเราได้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วตอนไหนต้องคิดเรื่องงานก็คิดไปตอนไหนกิเลสแทรกเข้ามาก็มีสติรู้ทันไป จนหมดเวลาแล้วถึงเย็นถึงค่าสมสารกลับบ้านเมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยู่ในกรุงเทพใช้คําว่าสมสารจริงๆนะคนกรุงเทพมันน่าสงสารเหมือนนกที่จะบินไม่ไหวแล้วสมสารกลับบ้านยกเว้นนกพ้นเพี้ยนนะไม่กลับลังหรอกยังไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ต่อพวกนี้มันน่าสงสารกลับมาถึงบ้านนะเราภาวนาทั้งวันแล้วพอเรามาไหว้พระสวดมนต์เรามาทําสมาธิเดินจงกรมมันรวมง่ายมันสอนง่าย เพราะใจมันไม่ได้ฟุ้งมากในเวลากลางวันเพราะเราหัดเจริญสติมาทั้งวันเลยถึงเวลาเรามาทำความสงบจิตใจก็รวมง่ายสมาธิก็ได้ขึ้นมาด้วยก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาในแต่ละวันแต่ละวันสะสมคะแนนไปเรื่อยๆสะสมไปจนเขาอิ่มเขาพอนะเขาเต็มวันเวลาที่เขาจะเต็มเมื่อใดนะ่ะเราไม่รู้หรอกเรารู้ไม่ได้หรอก เพถ้าเราคิดว่าอุ๊ยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเราจะเร่งความเพียร น, นะมันจะเพี้ยนไปเลยมันไม่รู้หรอกถ้าคิดว่าตอนนี้เกือบจะถึงแล้วเนี่ยไม่ถึงหรอกจะเสื่อมเลยไอ้ตอนที่เราจะได้ธรรมะจะเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ทันตั้งหลักแต่ว่าสติสมาธิปัญญาในช่วงที่ใกล้ๆจะได้ธรรมะเนี่ยมันแก่รอบมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วก็ใจตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเหมือนใจมันล่อนเลยจิตใจมันล่อนอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยแต่ถ้าใจล่อนลนแล้วอุ๊ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเสร็จเลยไม่ถึงหรอกเสื่อมเสื่อมอีกคือถ้าใจมันล่อนอยู่แล้วก็ไม่ได้รินรนค้นคว้านะมันไม่ได้ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรมันสักว่ารู้สักกแต่ว่าเห็นเป็นกลางอย่างแท้จริงอันนี้คนวงนอกดูเนี่ยครูบาอาจารย์ดูโอ้นี่เกือบแล้วอีกนิดเดียวนะแต่จะไม่บอกให้หรอกถ้าบอกแล้วเสีย ฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าใจธรรมะเป็นเวลาที่เราไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตั้งตัวมันขาดสะบั้นลงไปโดยที่เราไม่ได้จงใจถ้าจงใจให้ขาดมันจะไม่ขาดหรอกหน้าที่เราคือทําเหตุให้สมควรกับผลแล้วผลมันเกิดของมันเองทําเหตุก็คือมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเราต้องทําเหตุให้สมควรคือฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าคนใดภาวนาแล้วยังเว้นวักนะเอาละ่ะเดี๋ยวเย็นๆค่อยทําหรือตื่นนอนแล้วค่อยทํากลางวันไม่ต้องทําเรียกว่าเว้นวัก ชาตินี้ไม่ได้กินหรอกตั้งแต่ตื่นนอนนะต้องมีสติรู้สึกไปรู้สึกกายได้ก็รู้สึกไปรู้สึกจิตใจได้ก็รู้สึกจิตใจตอนไหนต้องทำงานต้องคิดก็คิดมันไปจดจ่ออยู่กับการทำงานไปใจวอกแวกก็มีสติรู้ลงไปอีกฝึกอย่างนี้นะจะกินข้าวก็ไม่ละเว้นตอนนี้อร่อยขอกินก่อนเพลินๆจะเล่นสนุกสนานเฮฮาก็อย่าละเว้นตามรู้ตามดูของเราไปเรื่อยๆหลวงพ่อภาวนาไม่มีความเคร่งเครียด หลวงพ่อเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มได้ทั้งวันนะยิ้มได้เมื่อภัยมายิ่งตอนไหนยิ้มมากเป็นพิเศษนี่ก็คือภัยหนักหน่อยฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาอย่างเคร่งเครียดแต่เราภาวนาไม่เลิกรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกทั้งวันเท่าที่รู้สึกได้บ่อยเท่าที่ทําได้พวกเราส่วนใหญ่ชอบทิ้งเวลาเล็กๆน้อยๆสมมติว่าเราทางานนะเรานัดลูกค้าเอาไว้เราตเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะเจรจากับลูกค้า เหลือเวลาห้านาทีเนี่ยเราชอบโยนทิ้งไปทำน้นทำนี้หาอะไรคิดเพลินๆผ่านเวลาไป5้านาทีเนี่ยตายเปล่าไป5้านาทีแล้วหลวงพ่อจะเก็บเวลาอย่างนี้เล็กๆน้อยๆ5้านาที10บนาที3นาทีเข้าห้องน้ำคือเวลาภาวนานะยกเว้นตอนไหนแมมมันเครียดจัดจริงๆก็เอาขายหัวเราะไปนั่งอ่านไอ้นั่นเพื่อพักผ่อนตอนไหนไม่ต้องการพักผ่อนก็ดูของเราไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้ชั่วโมงในการปฏิบัติมันมากเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์บางทีพระมาถามเลยว่าทําไมโยมได้เยอะพระธรรมมาสิปียีสิปีไม่ได้เท่าโยมบอกโยมทําทั้งวันโยมมีผัสสะรุนแรงมีปัญหามากในชีวิตนะมีภาระมากไม่มีที่พึ่งอื่นเลยอะไรๆก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เราดูของเราลูกเดียวเลยทุกวันขยันดูดูของเราลูกเดียวเลย